ในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุถึงผลของการปฏิบัติคือบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก่อนก็คือสติ สตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดสําหรับการปฏิบัติเพอาะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้ถ้าใจไม่สงบไม่เป็นสมาธิจะไม่สามารถเจริญปัญญาเพื่อนําเอาไปละกิเลสตัณหา ดับความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จำเป็นจะต้องมีปัญญาปัญญาก็จำเป็นจะต้องมีสมาธิสมาธิก็จำเป็นจะต้องมีสติสติก็จำเป็นจะต้องมีศีลศีลเป็นผู้ที่จะทำให้มีเวลามาเจริญสตินั่นเอง ถ้าไม่มีศีลก็จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติเมื่อไม่มีเวลาเจริญสติเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่สงบเมื่อใจไม่สงบก็จะไม่สามารถพิจารณาให้เห็นปัญญาได้ให้เห็นสิ่งที่เป็น อยู่ตามความเป็นจริงของเขาได้เพราะใจนั้นถ้าไม่สงบจะถูกความหลงครอบงำอยู่จะทำให้มองไม่เห็นความจริงหรือถ้าเห็นความจริงก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามความเป็นจริงได้ก็จะไม่สามารถที่จะ ดับความทุกข์ต่างๆได้ก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้สตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งทรงเปรียบสติเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในป่า รอยเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายได้หมดคือใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ที่สุดก็คือช้างธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือสติถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนหนังสือ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนหนังสือคืออะไรก็คือการท่องกอไก่ขอไข่เนงถ้าเราท่องกอไก่ขอไข่ไปไม่ได้เราก็จะสะกดไม่ได้เมื่อเราสะกดไม่ได้เราก็จะอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เราก็จะไม่เข้าใจความหมายของคำที่เขียนหรือที่เราอ่าน ต้องรู้จักกไก่ขอไข่ก่อนจุดเริ่มต้นของการเรียนหนังสือก็อยู่ที่การเรียนกอไก่ขอไข่ถ้าไม่รู้จักกอไก่ขอไข่ดูหนังสือก็ดูไม่ออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นนี่คือความจริงของการเรียนหนังสือ หรือความจริงของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้ <c oughs> ถ้าใจไม่สงบก็ไม่สามารถใช้ปัญญามาดับความทุกข์ได้มลกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ถึงแม้จะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก แต่ก็จะอดอยากไม่ได้เพราะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากสิ่งที่จะทําให้หยุดความอยากได้ก็คือสมาธิและสิ่งที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ก็คือสติและการจะเกิดสติได้ก็ต้องเกิดจากการรักษาศีลคือศีลแปดขึ้นไป ศีลห้านี้ไม่พอต่อการเจริญสติต้องถือศีลแปดเพราะว่าการถือศีลแปดจะทำให้มีเวลามาเจริญสตินั่นเองเพราะถ้าไม่ถือศีลแปดก็จะไปทำกิจกรรมต่างๆได้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงได้ไปงานเลี้ยงได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ถ้าไปทางนั้นก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติเพราะการเจริญสติจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่เงียบๆอยู่ที่สงบอยู่ที่ห่างอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆถึงจะสามารถสร้างสติขึ้นมาได้เหมือนกับการปลูกข้าวการปลูกข้าวนี้ต้องปลูกในที่ น้ำดีดินดีถ้าไปปลูกที่น้ำไม่มีดินไม่ดินไม่มีเช่นไปปลูกข้าวบนเขาอันนี้ข้าวก็จะไม่ขึ้นสถานที่ของการปลูกข้าวนี้สำคัญเช่นเดียวกับสถานที่ของการปลูกสติสร้างสติขึ้นมาก็เป็นเรื่องสำคัญ ต้องไปหาสถานที่ที่เหมาะต่อการเจริญสติถ้าเป็นสถานที่เหมาะสมการเจริญสติก็จะเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วสามารถที่จะมีสติต่อเนื่องได้ตลอดเวลาพอเวลานั่งสมาธิถ้าสติต่อเนื่องก็สามารถเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีกําลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้าปัญญาเป็นผู้บอกว่านี่คือกิเลสนี่คือตัณหาก็จะหยุดกิเลสหยุดตัณหาได้ปัญญามีหน้าที่เป็นผู้ชี้เป้าให้แก่สมาธิสมาธินี้เป็นเหมือนผู้ยิงเป้า คนนึงเป็นคนยิงอีกคนหนึ่งเป็นคนชี้เป้าถ้าคนยิงไม่มีคนชี้เป้าก็ไม่รู้ว่าจะยิงใครดีเดี๋ยวไปยิงคนดีเข้าแทนที่จะไปยิงยิงคนไม่ดีปัญญาเป็นคนชี้บอกว่าคนนี้ไม่ดียิงไปเลยฆ่ามันเลยคนนี้ดีอย่าไปยิงเช่นความอยากก็มีทั้งความอยากที่ดีและความอยากที่ไม่ดี ความอยากที่ดีก็อยากไปฆ่ามันอยากไปยิงมันเช่นอยากทําบุญอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอยากไปเปรกวิเวกรักษาศีลแปดอยากนั่งสมาธิอยากพิจารณาปัญญาอยากหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นความอยากที่ดีที่เราไม่ต้องไม่ควรไปฆ่าะ ความอยากที่ไม่ดีที่ทําให้เราติดอยู่กับกองทุกข์ที่ทําให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเรียกว่ากามตัณหาความอยากนี้ต้องฆ่ามันเวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ฆ่ามันเลยอยากจะสูบบุหรี่ก็ฆ่ามันเลยอยากจะดื่มสุราก็ฆ่ามันเลย อยากจะกินอาหารมื้อเย็นก็ฆ่ามันเลยอยากจะกินมากเกินไปก็ฆ่ามันเลยอยากจะดูละครก็ฆ่ามันเลยอยากจะฟังเพลงก็ฆ่ามันเลยอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ฆ่ามันเลยนี่คือตัว้ายกาดเพราะถ้าไม่ฆ่ามันมันจะทำให้เราต้องทุกข์กับมัน พอเวลามันออกอาการขึ้นมามันเกิดอาการอยากขึ้นมามันจะทําให้เราอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องไปทําตามที่มันอยากถ้าได้ทําก็สงบไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าอยากแล้วไม่ได้ทําก็จะไม่สบายใจไปเรื่อยๆ ถ้าอยากมากๆและไม่ได้ทำมากมากก็จะอาจจะถึงกับค่าตัวตายได้พาอทนอยู่กับความทรมานใจที่เกิดจากความอยากไม่ได้นี่คือฤทธิ์ของความอยากในรูปเสียงกยลิ่นรสผลภะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้ ไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะทุกข์ทรมานใจจนอยากจะฆ่าตัวตายบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่สามารถหาความสุขตามความอยากคือกามะตัณหาได้นี่แหละคือตัวร้ายกาศตัวนี้จะต้องเป็นปัญญาเป็นผู้บอกใจ บอกใจที่มีสมาธิว่าต้องหยุดตัวนี้อย่าอย่าไปทำตามตัวนี้โดยเด็ดขาดมันจะให้ดื่มกาแฟาก็อย่าดื่มมันจะให้สูบบุหรี่ก็อย่าสูบมันจะให้ดื่มสุราก็อย่าดื่มมันจะให้เราไปร่วมหลับนอนกับแฟนหรือกับคนอื่นก็อย่าไปทำมันจะชวนเราไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็อย่าไป นี่คือปัญญาปัญญาจะเป็นผู้รู้ว่าความอยากชนิดไหนเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเพราะว่าเรามีผู้รู้แล้วมาบอกเรานั่นเองผู้ที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกเรานี้เราจะไม่รู้ว่าความอยากใน รูปเสียงกิ่นรสผลตภะนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะทำตามความอยากอยากดื่มกาแฟก็ดื่มอยากสูบบุหรี่ก็สูบอยากดื่มโซราก็ดื่มพอเราคิดว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับเรานั่นเองมันก็เป็นความสุข แต่เป็นความสุขชั่วคราวและเวลาไม่ได้ทำตามที่อยากแทนที่จะได้ความสุขก็จะได้ความทุกข์จะได้ความทุกข์ถึงขั้นที่อยากจะฆ่าตัวตายถ้าไม่สามารถหาความสุขไปได้นานๆตามเจ็บไข้ได้ป่วยไปนานๆเป็นอามภาพอามภะนอนอยู่บนเตียงทำอะไรไม่ได้ อันนี้ก็จะทำให้เบื่อไม่อยากจะอยู่อยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมาความอยากฆ่าตัวตายก็เป็นความอยากอีกตัวที่ต้องฆ่ามันอีกเพราะการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาการจะแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ ต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาในการที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำเอาไปพิจารณาต่อเอาไปค่ายควรวญเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมถ้าเราฟังแล้วศึกษาแล้ว แล้วเราไม่นำเอาไปพิจารณาต่อไม่ไปไข้ควรต่อไม่คิดไม่พิจารณาอยู่เนืองเนืองเดี๋ยวก็จะลืมไปพอลืมแล้วก็จะไม่รู้ว่ า, าการทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะกลับไปคิดว่าการได้ทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะทำให้มีความสุข นี่คือเรื่องของปัญญาปัญญานี้ถ้ามีแต่ไม่มีสมาธิก็ทําประโยชน์อะไรไม่ได้บอกให้สมาธิยิงสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีผู้ที่จะมายิงอมาทําลายตัวตันหามาหยุดตัวตันหาหยุดความอยากตอนนี้พวกเรามีปัญญากันมากะ เราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่จนหูชาฟังไม่รู้กี่รอบแล้วเรื่องอริยสัจสี่ความทุกข์เกิดจากความอยากคือการมะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้เรารู้อยู่แล้ว แต่เราก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันได้เราก็ยังอยากในรูปเสียงกลิ่นน็เราก็ยังไปเสพรูปเสียงกลิ่นน็กันอยู่เรายังอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยู่ยังอยากได้ความเจริญอยู่อยากให้ร่างกายเจริญแข็งแรงอยู่ไปนานๆเราไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตาย เรายังหยุดความอยากเหล่านี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีผู้ที่จะมาทำลายความอยากผู้ที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ต้องเป็นสมาธิปัญญาเป็นเพียงผู้บอกว่าความอยากแบบไหนควรจะทำลายความอยากแบบไหนควรจะส่งเสริมอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาเราจะได้ปัญญาก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ พอเราเองไม่มีปัญญาที่จะคิดค้นหาปัญญาเหล่านี้ได้ต้องมีพระพุทธจเจ้ามาตารัสโลมาประกาศพระธรรมคาสอนมาสอนพวกเราให้รู้ว่าความอยากชนิดไหนเป็นความอยากที่ร้ายกาจที่ต้องทำลายความอยากชนิดไหนเป็นความอยากที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์ที่เราควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมเมื่อเรารู้แล้ว เราก็ต้องสร้างกําลังขึ้นมาสร้างผู้ที่จะมาฆ่าความอยากที่ไม่ดีผู้ที่จะมาฆ่ามันได้ก็คือสมาธิผู้ที่จะสร้างสมาธิก็คือสติจําเป็นจะต้องมีสติถึงจะมีสมาธิได้นะการจะมีสติก็ต้องมีที่สงบมีเวลาที่จะมาสร้างสติ ก็ต้องมีศีลเพื่อที่จะมายับยั้งหรือกํกำจัด ก, กิจกรรมต่างๆที่จะทำให้ไม่มีเวลามาสร้างสติกันนั่นเองศีลแปดนี้เป็นผู้ที่จะมากำจัดกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เราไม่มีเวลามาเจริญสติไม่มีเวลาที่จะม า, านั่งสมาธิ ไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณาปัญญาอย่างเนื่องเนืองไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็นำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาอยู่ลอยู่เนื่องเนืองเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอเกิดตัณหาความอยากที่ร้ายกาจขึ้นมาก็บอกสมาธิให้ยิงได้เลยยิงตัวนี้กำจัดตัวนี้ได้เลยเวลามันโผล่ขึ้นมา แต่ถ้าไม่มีผู้ที่จะมายิงไม่มีสมาธิก็ไม่มีใครที่จะมากาจัดมายิงมาฆ่าตันหาความอยากที่เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจได้นี่คือหน้าที่ของธรรมต่างๆมีความสำคัญจะขาดทำอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ เขาต้องมีชิ้นส่วนครบบริบูรณ์รถเขาถึงจะวิ่งได้ขาชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งไปแนละ้วมันวิ่งไม่ได้เช่นล้อหายไปอันหนึ่งนี้ก็วิ่งไม่ได้แนละ้วล้อก็ต้องมีครบทั้งสี่ล้อเครื่องยนต์ก็ต้องมีเครื่องที่สนับสนุนให้เครื่องยนต์วิ่งก็ต้องมีเช่นถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็สตาร์ทรถไม่ติดถ้ามีแบตเตอรี่แต่ ตามน้ำมันเสียไม่สามารถฉีดน้ำมันเข้าเครื่องได้รถก็ไม่ติดอยู่ดีวิ่งไม่ได้อยู่ดีดงนั้นต้องมีชิ้นส่วนครบถึงจะสามารถทำให้รถวิ่งไปได้ฉันใดการจะไปพระนิพพานการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จาเป็นที่จะต้องมีทาครบบริบูรณ์ คือมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นเวลาเราเริ่มปฏิบัติเราควรที่จะทุ่มเทปไปที่การเจริญสติด้วยการรักษาศีลแปดด้วยการไปปรีกวิเวกเราต้องหาที่เหมาะกับการเจริญสติ เหมือนกับเวลาที่เราหาที่เหมาะกับการปลูกข้าวเราไม่ไปปลูกข้าวบนที่ดอนบนเขาเราไปปลูกข้าวในที่ลุ่มที่มีน้ำมีดินสมบูรณ์ข้าวก็จะได้จเจริญโตต ก, ต ก, ตกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและมากมายถ้าไปปลูกข้าวบนที่ดอนไปปลูกข้าวบนเขาเนี่ยจะได้ข้าวน้อยหรือจะไม่ได้เลยถ้ามีแต่หิน ถ้าภูเขามีแต่เห็นนี่ปลูกยังไงข้าวก็ไม่มีวันขึ้นได้ยานใดการเจริญสติถ้าไปเจริญในบาในผับในโรงภา พ, พยนตร์ในสถานบันเทิงต่างๆต่างๆในงานเลี้ยงต่างๆอันนี้ไม่มีวันที่จะเจริญสติได้การเจริญสติต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆ ห่างไกลจากบุคคลต่างๆ ต, ต, ต, ต้องฟปลีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวอยู่ในที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาลบกวนใจเมื่อไปอยู่แล้วสิ่งก็ต้องมีก็คือความเพียรถ้าไปอยู่เฉยๆไม่ไปเพียรเจริญสติอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่เพียรสติแล้วไม่นั่งสมาธิ ไม่เจริญปัญญาการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้ไปอยู่ที่เปกวิเวกแล้วแต่ไม่เพียรเจริญสติไม่นั่งสมาธิไม่เจริญปัญญาหรือเจริญแต่ไม่ครบสูตรก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ต้องเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิหยุดใจได้แล้ว แล้วค่อยมาเจริญปัญญาเมื่อมีปัญญาคอยบอกว่าความอยากตัวไหนเป็นตัวพิษเป็นพิษเป็นภัยพอมันโผล่ขึ้นมาก็กำจัดมันเลยความอยากตัวไหนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ส่งเสริมมันเลยเช่นความอยากหลุดพ้นความอยากบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เมื่อเมื่อถึงเวลาหนึ่งความอยากเหล่านี้ก็อาจจะมาเป็นอุปสรรค ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้ก็ต้องหยุดมันเหมือนกันเช่นเวลานั่งสมาธิเราอยากจะให้มันสงบเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เป็นเวลาอยากให้มันสงบเวลาอยากให้มันสงบนี้ต้องก่อนมานั่งอยากให้ใจสงบเราถึงมานั่งกันพอมานั่งแล้วอย่าไปอยากให้มันสงบพอไปนั่งแล้วต้องเจริญสติเพียงอย่างเดียว ต้อุโทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวมันจะสงบหรือไม่สงบนี้เราไปสั่งมันไม่ได้มันจะสงบไม่สงบอยู่ที่สติมันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องถ้ามีสติต่อเนื่องพุโทโธต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็สงบเองไม่ต้องไปอยากถ้าไปอยากแล้วมันจะไม่ได้เจริญสติมันมัวแต่เจริญความอยากอยากให้สงบทําไมไม่สงบสักทีนั่งมาต้องนานแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบเนี่ย ถ้าไปอยากแบบนี้แล้วนั่งแบบนี้แล้วไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องนั่งแบบพุทโธพุทโธไปสงบไม่สงบฉันไม่สนใจฉันมีหน้าที่พุทโธไปอย่างเดียวฉันไม่มีหน้าที่ที่จะไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆเวลาอะไรมาปรากฏขึ้นมาก็ไม่ทิ้งพุทโธมีแสงสว่างโผล่ขึ้นมามีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้โผล่ขึ้นมาก็ไม่สนใจ อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวอยู่ไปจนกว่ามันจะวูบลงไปแล้วมันสงบทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดทุกอย่างเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ผู้รู้ตัวรู้ศักแต่ว่ารู้เข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่ความอิ่มใจสุขใจอันนี้คือการภาวนาเวลานั่งสมาธิต้องอย่ามีความอยาก นั่งสมาธิความอยากนั่งสมาธิต้องมีตอนที่กําลังคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะไปเที่ยวดีหรือไปนั่งสมาธิดีตอนนั้นต้องเกิดความอยากไปนั่งสมาธิอย่าไปอยากไปเที่ยวถ้าไม่อยากนั่งสมาธิมันก็จะไม่ได้มานั่งสมาธิมันก็จะไปเที่ยวแทนนี่คือปัญญาปัญญาจะต้องรู้ว่าความอยากตัวไหนดีและไม่ดี ตัวไหนดีแต่ผิดเวลาก็ไม่ดีอย่างพระอ น, น, น์นี้ก็อยากจะบรรลุอยากจะบรรลุตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายจากพระอ น, นุตตายไปแล้วพระอ น, น, น์จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอ น, น, น์ก็อยากจะบรรลุก็เลยเร่งความเพียรไปปีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามลำพังอยู่ตลอดระยะเวลาสามเดือน จนถึงวันสุดท้ายถึงคืนสุดท้ายก็ยังไม่บรรลุความอยากบรรลุก็กทําให้หงุดหงิดําคาญใจขึ้นมาทําให้ปรุงแต่งคิดไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะทไมพระพุทธเจ้าไม่เคยผิดพลาดนะเรื่องการพยากรณ์นพยากรณ์ว่าใครจะบรรลุทมเมื่อไหร่ก็จะเป็นไปตามที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เสมอแต่สาหรับเรานี้คิดว่า ท่านคงจะพลาดแลมั้วเพรเรล่านี้ก็ทุ่มเทสุดสุดแล้วพยายามปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่บรรลุสักทีจนใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะสว่างแล้วพอสว่างก็ถือว่าครบสามเดือนแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้จะทำอย่างไรพยายามปฏิบัติอย่างสุดสุดแล้ว แต่ลืมไปว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ปฏิบัติตามที่สงสอนให้ปฏิบัติคือให้มีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งควบคุมความอยากกลับไปปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งคิดไปปรุงไปอยากไปจิตก็เลยไม่มีวันที่จะหลุดได้พอในที่สุดเห็นว่าคงจะไม่มีโอกาสแน่ๆคงจะไม่ได้หลุดพ้นอย่างแน่ๆก็เลยเลิกปฏิบัติ ขอพักจะไปนอนนะขณะที่อยู่ระหว่างท่านั่งกับท่านอนใจที่ไม่มีความอยากก็เลยบรรลุในตอนนั้นใจหยุดคิดปรุงแต่งหยุดความอยากที่เป็นตัวขวางกาั้นการบรรลุธรรมของพระอานนุ์นี่คือเรื่องของตัณหาความอยากต่างๆแม้จะเป็นความอยากที่ดีก็ต้องรู้จักใช้มันใน ให้ถูกกาลละเทศะให้ถูกกับเวลาเวลาจะไปมีแฟนอย่างนี้กับเวลากับการจะไปบวชนี้ก็ต้องอยากบวชอย่าไปอยากมีแฟนถ้าอยากมีแฟนก็จะไม่ได้บวชเมื่อไม่ได้บวชก็จะไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้บรรลุธรรมดังั้นต้องต้องมีเวลาของมันเวลาอยากบวชก็บวชพอบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมต่อไป อย่าไปอยากบรรลุธรรมเฉยๆโดยไม่ได้ปฏิบัติโดยไม่ได้รักษาศีลให้บอยสุดไม่ได้เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาต่อให้อยากไปกีป่ล้านปีก็ไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมสร้างธรรมที่จะเป็นเหตุที่จะทาให้เกิดผลคือการบรรลุธรรม ทำที่จะทำให้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมก็คือการรักษาศีลของนักบวชเนะี่ยถ้าเป็นพระก็ต้องรักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนะถ้าเป็นผู้ครองเรือนข่าวร่าวาก็ต้องรักษาศีลแปดถึงจะสามารถที่จะมีเวลามาเจริญสติมาปิกวิเวกได้มานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ มาเจริญปัญญาด้วยการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองเนืองเมื่อศึกษาแล้วก็เอาไปพิจารณาอยู่เนืองเนืองไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอเวลาเกิดตัณหาความอยากที่เป็นตัวพิษเป็นตัวพิษเป็นภัยปัญญาก็จะได้บอกนี่คือตัวเป็นพิษเป็นภัยต้องดับตัวนี้ต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้ถ้าไม่มีสมาธิก็ฆ่ามันไม่ได้ เหมือนไม่มีคนยิงปืนมีแต่คนชี้เป้าคนชี้เป้าบอกยิงตัวนี้ยิงตัวนี้นะแต่คนยิงปืนไม่มีไม่มีสมาธิก็หยุดตัณหาไม่ได้ปัญญาบอกว่ากามตัณหาไม่ดีอย่าไปทำนะก็หยุดไม่ได้อย่าไปดื่มกาแฟนะก็ดื่มอย่าไปสูบบุหรี่นะก็สูบอย่าไปดื่มสุรายาเมาก็ดื่ม อยากไปนั่งดูหนังดูละครนะก็ไปนั่งดูอันนี้แสดงว่ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้จะไปยิงอะไรคนมีเปินมีคนยิงแต่ไม่รู้ไม่มีคนชี้เป้าบอกไม่รู้ว่าจะไปยิงใครเดี๋ยวยิงผิดยิงถูกไปยิงคนดีเข้าสวยซะอีกมีเรื่องขึ้นมาซะอีกไปยิงความอยากทำบุญซะอีก คนที่ฟังเทศฟังธรรมว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์อย่างนั้นก็เลยกูไม่ทำบุญดีกว่าอยากทำบุญก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์อยากรักษาศีลก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์อยากออกบวชก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ตัวเลยไม่ไม่ทาบุญไม่รักษาศีลไม่บวชไปเที่ยวดีกว่าพอไปเที่ยวนี่ลืมไปว่ามันก็เป็นความอยากเหมือนกันเมื่อมันความอยาก มันเป็นโทษเหมือนกันก็เอาความอยากที่เรามีความสุขไม่ดีกว่าเนอะอยากทาบุญมันทุกข์อยากเที่ยวมันสุขจะเอาอย่างไรดีถ้ามันเป็นความอยากเหมือนกันก็เที่ยวไม่ดีกว่าเที่ยวแล้วไม่มีความสุขทาบุญแล้วเสียเงินเปล่าๆได้อะไรเนี่ยันคนที่ไม่มีปัญญามันก็จะไม่รู้จักแยกแยะว่าความอยากที่ดีเป็นอย่างไรความอยากที่ไม่ดีเป็นอย่างไร มีสมาธิถ้าไม่มีปัญญาก็บรรลุไม่ได้เนี่ยอย่างพวกที่ปฏิบัติมีสมาธิการช่วงที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสรตว์นี่ยมีพวกที่มีสมาธิกันเยอะแยะไปหมดนกูบาจางของพระพุทธเจ้าสองลูปก็มีสมาธิกันมีฌานกันพระพุทธเจ้าเองก็มีสมาธิพระปัญจวัคคียก็มีสมาธิแต่ไม่มีใครมีปัญญากันทั้คนตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญญา ไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่รู้ว่ากามะตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์กันก็ไม่มีใครบรรลุ ก, กันสักคนหนึ่งจนในที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดสามารถค้นหาเจอว่าไอตัวที่ทำเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือกามะตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ย พอพระองค์เห็นปั๊บหยุดมันปั๊บเพราะมีสมาธิแล้วพอหยุดตัณหาปั๊บก็ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้นี่ปัญญานี่เรียกว่าปัญญามีสมาธิถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็จะได้แค่หยุดความทุกข์ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมาก็จะไม่มีปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆก็ไม่มีใครหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาหลุดพ้นเป็นคนแรกเป็นผู้ค้นพบความจริงเป็นคนแรกว่าเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเหตุของการเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายเหตุของความทุกข์ทั้งหลายนี้ ก็จากการมักตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองพอทรงรู้ทรงเห็นแล้วพอมาบอกบอกพวกที่มีสมาธิทั้งหลายบอกปุ๊บก็บรรลุกันเลยบอกพระอัญญาณกุณัญญะก็บรรลุเลยบอกพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุเลยเป็นพระอาหารหันต์กันเลยไปบวกบอกพวกฤาษีสำนักอื่นที่มีสมาธิกัน เรบอกเขาปั๊บเขาก็บรรลุกันพร้อมกันเลยห้าร้อยรูปพร้อมๆกันเลยเพราะเขาไม่มีปัญญาเขารอปัญญาตัวเดียวนั่นเองมีสมาธิมีปืนมีคนยิงปืนแต่ไม่มีคนชี้เป้าไม่รู้จะไปยิงที่ไหนไปยิงเป้าตรงไหนไปยิงตัวไหนไม่รู้จะเอาไปทาลายไปหยุดอะไรนี่คือเรื่องของการบาเพ็ญของการปฏิบัติ ที่มีขั้นมีตอนที่เราข้ามไม่ได้ถ้าข้ามขั้นข้ามตอนมันก็จะไม่มีวันที่จะสำเร็จได้ถ้าจะเรียนกอถ้าจะอ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้ถ้าไม่ไปเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่ไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูเลยไปเปิดหนังสือดูเลยดูไปจนวันตายก็อ่านไม่ออกต้องไปเริ่มต้นที่กอไก่ขอไขก่ก่อน พอมีกอไก่ขอไข่แล้วก็มาสะกดมาผสมตัวอักษรตัวสระกันแล้วก็มามาศึกษาความหมายของอักษรของคาแต่ละตัวว่ามีความหมายว่าอย่างไรไก่เป็นยังไงไข่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนไปถึงจะสามารถที่จะ อ่านออกเขียนได้การบำเพ็ญการปฏิบัติก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปนขั้นแรกก็คือเนี่ยต้องทานถ้ายังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็สละไปให้หมดนี่เรียกว่าทานอย่างพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติเนี่ยเรียกว่าทานออกจากวังไปไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชไปถือศีลของนักบวช แล้วก็ไปปีกเวเวกอยู่ในป่าในเขาเพื่อที่จะได้เจริญสติเพื่อจะได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบจะได้มีปืนมีผู้ยิงมีผู้หญิงเป้าต่อจากนั้นก็ไปสร้างปัญญาให้มาเป็นผู้ชี้เป้าว่าจะให้ยิงตัวไหนให้ฆ่าความอยากชนิดไหนความอยากชนิดไหนไม่ให้ฆ่าต้องมีปัญญา สมาธิก็เป็นผู้หยิงเป้าสติเป็นผู้สร้างผู้หยิงเป้าขึ้นมาศีลเป็นผู้ทำให้มีมีเวลามาสร้างสติกันมาเจริญสติกันถ้าไม่บวชก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเป็นคารวาคของเรือนก็ต้องมีการทำมาหากินมีการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย เพราะมีครอบครัวมีภรรยามีบุตรมีสามีก็ต้องไปหาความสุขร่วมกันก็จะไม่มีเวลาไปปริกวิเวกไปรักษาศีลไปภาวนาไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะมีเวลามาเจริญสติก็ต้องสละสมบัติไปให้หมด ย้ายบ้านออกจากบ้านไปอยู่วัดนะไปอยู่ตามป่าตามเขาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก่อนที่ท่านจะไปบวชกันท่านก็เป็นผู้ครองเรือนเหมือนพวกเรานมีลูกมีภรรยามีสามีมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองต่างๆแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุข ก, กัน ท่านก็เลยสละมันไปผู้ที่จะทำทานได้อย่างนี้ต้องเป็นผู้เห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่เป็นทุกข์หรือเป็นอุปสรรคต่อการดับความทุกข์ต่างๆเพราะถ้ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง<ๆ>ก็จะต้องติดอยู่กับมันต้องดูแลรักษาบริหารจัดการมันมันก็จะไม่มีเวลาที่จะไป เปริกวิเวกไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ยิงต้องสละมันอย่างพระพุทธเจ้าสละอย่างพระสาวกทั้งหลายสละเป็นมหาเศรษฐีก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วก็ไปบวชบวชแล้วพอจิตดุดพ้นจากความทุกข์ก็อุทานไปตลอดเวลาว่าสุขหนอสุขหนออันนี้ต้องเกิดจากการทำทานก่อน ถ้ามีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองถ้ายังเป็นผู้คองเรือนอยู่ก็ต้องสละเพศของผู้คองเรือนไปเพราะผู้ที่จะหลุดพ้นนี้ 99. 9 9้า้าเปอร์ซน์นี้เป็นนักบวชทั้งนั้นมีกรณียกเว้นอยู่เพียงจุ1ศเปอร์เซนที่สามารถที่จะบรรลุได้ในขณะที่ยังเป็นคารวาดอยู่แต่ก็เป็นจำนวนน้อย เป็นกรณียกเว้นหมือกรณีพิเศษเป็นพวกที่มีบุญเก่ามีบารมีเก่ามาเป็นพวกที่มีศีลมีสมาธิมาแล้วเพียงแต่ยังไม่มีปัญญาพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้รับปัญญาจากพระพุทธเจ้ามาก็สามารถปรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้เป็นพวกกรณียกเว้นพวกที่เป็นข่วาแล้ว หลุดพ้นได้นี้มีจำนวนน้อยมากส่วนใหญ่แล้วเก้าสิบเก้าจุเก้าซนี้เป็นนักบวชทั้งนั้นเช่นวันมาคะมีพระภิกษุหนึ่งันสองรอยห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่ามีคารวาดมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยมีแต่พระภิกษุเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ อุปสมบทให้เป็นผู้บวชให้ตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นนักบวชอยู่เดิมแต่เป็นบวชอยู่ในรัฐที่อื่นพอได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เกิดศรัทธาที่อยากจะบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เพื่อเขาจะได้ย้ายออกจากรัฐที่เดิมมาสู่รัฐที่ใหม่มาสู่พุทธศาสนา ภายในเจเดือนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมประกาศธรรมเอาปัญญามาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีสมาธิแล้วก็มีผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันตขึ้นมาอย่างน้อยก็1250รรูปเป็นผู้ที่บรรลุแล้วก็ขอพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระกับพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งก็เกิดความ ปานาที่จะมาเฝ้าพบพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันมาจากสารทิตต่างๆมาพบกับพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนหนึ่งันสองรห้าสิบรูปเป็นพระภิกษุทั้งนั้นไม่มีคารวะเลยดังนั้นผู้ที่เป็นคารวะอย่าไปคิดว่าการเป็นคารวะแล้วจะบรรลุธรรมได้อย่าไปดูกกรณียกเว้นที่มีไม่กี่คน ถ้าเราเป็นค า, ารวะและบรรลุได้เราน่าจะบรรลุไปนานแล้วเพราะเราฟังเทศฟังธรรมคำสอนของท้าเจ้ามามากพอแล้วถ้าเรามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วขาดปัญญาเพียงอย่างเดียวพอได้ปัญญาจากการฟังเทศฟังธรรมมันต้องบรรลุได้ไปนานแล้วถ้ามันยังบรรลุไม่ได้ก็อย่าไปหวังเลยว่าชาตินี้นการเป็นคารวะนี้จะบรรลุได้ถ้าไม่เป็นป น, นักบวช นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจําเป็นต้องเริ่มต้นที่การจละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองการแปลงเพศจากการเป็นผู้คลองเรือนมาเป็นผู้ไม่มีไม่มีการคลองเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือนก็คือพระภิกษุนี้เป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นของตนอาศัยร่มไม้ของต้นไม้อยู่อาศัยถ้าอาศัยเงื่อมผาอาศัยเรือนร้างเป็นที่อยู่อาศัยวัดอาศัยวาเป็นที่อยู่ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่จะต้องมาคอยกังวลคอยเฝ้าดูแลรักษา ใจก็จะได้มีเวลาไปทํากิจกรรมเพื่อจะได้เกิดการหลุดพ้นก็คือการไปรักษาศีลรักษาศีลเพื่อจะได้กําจัดกิจกรรมต่างๆที่จะดึงเอาเวลาของการภาวนาของการเจริญสติไปไปปีกวิเวกเมื่อไม่ต้องไปทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นก็ไปปีกวิเวกได้ถ้ายัางต้องทํากิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ไปไม่ได้ เดี๋ยวก็ต้องไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรต่างๆนานามีงานหลากหลายให้ไปไม่มีก็หางานไปเองหางานปีใหม่หางานฉลองนู่นฉลองนี่ไปหากันไปเรื่อยๆเพราะใจมันชอบเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันถึงติดกับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันชอบงานเหล่านี้นั่นเอง ยังต้องถือศีลแปดหรือศีลของนักบวชเราก็จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อไปไม่ไปทำแล้วก็จะได้มีเวลามาเจริญสติมีเวลาไปอยู่ที่สงบที่วิเวกไปปีกวิเวกพอมีเวลาปีกวิเวกเจริญสติอย่างต่อเนื่องพอนั่งสมาธิจิตก็รวมได้จิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาจิตก็มีตัวหญิงเป้าแล้ว ในขั้นต่อไปก็ไปเอาปัญญาตัวที่จะมาบอกว่าจะยิงตัวไหนดีจะยิงความอยากแบบไหนดีตัวไหนไม่ดียิงมันเลยใช้สมาธิเป็นผู้ยิงคือหยุดมันนั่นเองพอกิดการมัดปัญหาขึ้นมาปัญญาบอกอ่ตัวนี้ไม่ดีหยุดมันอยากจะดื่มกาแฟอย่าไปดื่มมันดื่มน้ำเปล่าร่างกายต้องการน้ำเปล่า เวลาหิวน้ำให้ดื่มน้ำเปล่าอย่าไปดื่มกาแฟอย่าไปดื่มเป๊ปซี่อย่าไปดื่มโค้กอย่าไปยืมน้ำเขียวน้ำแดงถ้าหิวน้ำให้ดื่มน้ำร่างกายต้องการน้ำร่างกายไม่ต้องการกาแฟไม่ต้องการน้ำเขียวน้ำแดงอันนั้นเป็นตันหากามาตันหาเป็นผู้ต้องการต่างหากกามาตันหานี่ต้องการรสของน้ำกลิ่นของน้ำสีของน้ำ แต่ร่างกายไม่ต้องการรดของน้ำกลิ่นของน้ำสีของน้ำดีไม่ดีเป็นภัยต่อร่างกายเสียได้ท้้งไปเพราะสีก็เป็นสีสังเคราะห์กินเข้าไปแล้วดีไม่ดีก็ไปก่อสารมะเร็งขึ้นมาอีกแทนที่จะรักษาร่างกายกลับไปทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกินเข้าไปมากๆมันก็สะสมในร่างกายแล้วต่อไปมันก็เป็นก่อก่อเป็นสารมะเร็งขึ้นมา ก็อทำให้เกิดมะเร็งแล้วก็ทำลายร่างกายในที่สุดแทนที่จะรักษาร่างกายกลับไปทำลายร่างกายสิ่งที่จะรักษาร่างกายสิ่งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำสะอาดนี่เองงั้นเวลาหิวน้ำอย่าไปดื่มกาแฟอย่าไปดื่มเบปซี่อย่าไปดื่มน้ำชาอย่าไปอ้างเหตุผลนู้นเหตุผลนี้มันเป็นการอ้างของกิเลสตัณหาทั้งนั้นผู้มีปัญญานี้จะรู้ทัน แต่ผู้ที่ไม่มีปัญญานี้จะรู้ไม่ทันนี่คือเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะไม่รู้ว่าความอยากชนิดไหนเป็นความอยากที่ดีความอยากชนิดไหนเป็นความอยากที่ไม่ดีแล้วถ้าไม่มีผู้หญิงเป้าก็จะไม่สามารถทำตามที่ปัญญาสั่งได้ปัญญาบอกตัวนี้ไม่ดีแต่ไม่มีสมาธิไม่มีกําลังก็หยุดหนไม่ได้พออยากกินกาแฟก็กินอยาก กินอะไรก็กินอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีทั้งหมดมีผู้ยิงเป้าก็คือสมาธิมีปัญญาผู้ชี้เป้าถึงจะสามารถทำลายตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างพบสร้างชาติสร้างการเกิดแก่เจ็บใจเกิดแก่เจ็บตายให้แก่จิตใจได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อ ทำให้จิตหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป้าหมายอยู่ที่การฆ่ากามะตัญหาภาวตัญหาและวิภวะตัญห า, ะะญหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้ฆ่ากามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้ก็คือทานทานก็คือต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปเพื่อจะได้ไปบวชไปรักษาศีลของนักบวช เพื่อจะได้ไปเปิกวเวกได้ไม่มีกิจกรรมอะไรให้ต้องทํานอกจากการเจริญสติการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาพอได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วก็จะสามารถฆ่ากามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาแล้ว ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอความทุกข์ทั้งปวงก็เกิดจากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้เองพอไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายทุกข์จึงไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่ผู้ที่ไม่มาไม่กลับมาเกิดก็ผู้ที่ได้ทําลาย การมตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาให้หมดไปจากใจผู้ที่จะทำลายําลายกามาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาได้ก็คือผู้ที่ทําทานผู้ที่รักษาศีลผู้ที่เจริญสติสมาธิและปัญญานี้เองนี่คือขั้นตอนต่างๆในการบําเพญ็ญในการปฏิบัติเพื่อทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาครัง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 มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายยโกภะอภิวาธนศีลิตสะนิจจังวุธาปจายิโนจตารโรธรมมวทานติอายุวโนสุขังภาลา ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคําถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะงดถามตอบปัญหาดังนั้นใครอยากจะถามขอความกรุณาถามได้ตอนนี้อถ้าไม่มีใครก็เอาปัญหาทางบ้านคําถามจากทางบ้านจากคุณเสก จิตผมเขาพิจารณาไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนสุดท้ายจบลงที่ว่าแท้จริงในโลกนี้ไม่มีใครเอาใครจริงจังมันมีเพียงรูปกับนามเท่านั้นเกิดกระเพื่อมในหัวใจเหมือนอะไรมันผุดขึ้นสะเทือนจนรู้สึกได้สองถึงสามวินาทีจากนั้นมีปิติมีความสุขที่สุดในโลกคล้ายๆตอนที่หลวงตามหาบัวเทศตอนจิตมันเป็นมหาสมบัติมหาปัญญา แล้วฟาดฟันกิเลจจากหัวใจผมไม่ได้ปรุงอารมณ์เพราะฟังเทศมาแต่ผมแปลกใจถ้าผมมีอาการเดียวกับที่หลวงตาเทศทำไมผมยังไม่ตายเกือบปีแล้วที่อาการเกิดกับผมพระอาจารย์มีเครื่องวัดได้ไหมครับว่าผมทำถูกและที่รู้ก็คือจิตมันฉลาดแล้วเลยเลิกยึดถือขันห้าและใช้ตามสมมุติเลิกใช้ก็คือ กลับให้ธรรมชาติแต่โดยดีไม่อาลัยทำไมถามว่าทำไมมนเขาไม่ตายเลยทำไมต้องตายด้วยก า, มมารบรรลุธรรมทำให้คนตายเลยคำถามจากคุณพัสกรตั้งแต่เกิดมาจนอายุ45ปีเรารู้สึกใจนี้มีแต่ความทุกข์พอถึงเวลารู้สึกว่าทุกข์ที่สุด วันหนึ่งขณะกำลังนอนเกิดมหาสจรรย์พร้อมทั้งรู้สึกผิดชอบชั่วดีเมตากรุณามุติตาอุเบคาที่ใจโดยอัตโดมัติหน้าอิ่มเ อ, เบอิบเบิกบานน้ำตาไหลมีความสุขแปลกประหลาดที่สุดประมาณสิ น, นาทีตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีอาการทุกข์ใจเหมือนที่ผ่านมามีแต่ความสุขและวางเฉยได้ไม่เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อน วันวิสาขาบูชาเกิดนึกถึงพระพุทธเจ้าได้รับรู้ว่าตัวเหล่านี้ไม่ใช่เรามีแต่ความว่างเปล่าเป็นอยู่สามวันนึกว่าตัวเองบ้าจึงเข้าไปดูในเฟซได้รับรู้ว่าเขาเรียกว่านิพพทาเลียนถามพระอาจารย์ว่าทำไมหนูถึงเป็นแบบนี้เองเป็นปกติหรือไม่ปกติคะเป็นก็เป็นเลยจะบอกปกติไม่เป็นปกติ เป็นก็เป็นเพลงเดิมจะเป็นนานหรือไม่นา น, เ, นเดียวหรือเป็นไปตลอดนะก็อยู่ตรงนั้นคำถามจากคุณสมภพข้อที่หนึ่งผมได้ดูหนังประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วน้ำตาไหลเลยศึกษาธรรมมาผ่านย t u b e และไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีมาสองครั้งตอนนี้ผมกินเจเดินกว่าถือสีลห้ามาสองเดือน หลังเที่ยงก็จะกินนมถั่วเหลืองไม่ทานอาหารอย่างอื่นแต่เพื่อนๆชอบมาล้อผมต่างๆนานาผมจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีครับปัญหาอยู่ตรงไหนเี่ยปัญหาอยู่ที่เพื่อนๆมาล้อเนี่ยค่ะปัญหาเพื่อนเราจะห้ามเขาไม่ได้เขาจะล้อเรื่อยๆก็ต้องป่อเขาปทางเรื่อยๆปัญหาของเราคือย่ยามให้เขาไม่ล้อหรือเปล่าถ้าพยายามให้เขาไม่ล้อเราก็ไม่สบายใจเป็นการเพิน ข้อที่สองผมปฏิบัติกรรมาฐานเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิ1่ชั่วโมงแต่สมาธิชอบแวบออกไปข้างนอกประจำเมื่อหลับตาเราจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับต้องแก้ดูโง่นั่งสมาธิจะให้ท่อพุทธโธไปเรื่อยๆอยางุ ออคำถามจากคุณกรทพงศ์ผมไปเจอข้อความที่ว่าการทำมาร์คให้ถึงมารคหรือหยุดอยู่แต่ไม่เข้าใจความหมายครับการทําทการทำมาร์คให้ถึงมาร์กก็คือทําให้มันเป็นมารคขึ้นมาถ้ายังไม่มีมาร์กก็ต้องทำให้เป็นมาร์คขึ้นมาถ้าไม่มีเงินก็ต้องหาเงินหาเงินเพื่อให้ได้เงิน พอได้เงินก็สามารถจะเอาเงินไปใช้อะไรได้การทำมรคให้เป็นมรค ก, ก็เหมือนกับการหาเงินให้หาเงินเพื่อให้ได้เงินพอได้เงินแล้วก็ไปซื้อข้าวซื้อของได้พอทำมรคให้เป็นมรคพอเป็นมรคแล้วก็ไปฆ่ากิเลสได้หลุดพ้นได้คำถามจากคุณคุณตระการกรณีพ่อแม่เสียชีวิตไปหมดแล้วอยากจะขอขมาท่านต้องทาอย่างไรบ้างครับก็ทาไม่ได้แล้ว นอกจากท่านมาเยี่ยมถ้ามีดวงวิญญาณของท่านมาเยี่ยมก็ก็ขอขอมาท่านในตอนนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็ขอขอมาไปเผื่อท่านได้ยินรับรู้ก็โอเคไม่รับรู้ก็แล้วไปก็ทำได้เท่านั้นคำถามจากคุณโออุ้มการพิจารณาไตรลักษณ์ขณะที่ทำสมาธิอยู่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของทุกของความอึดอัดครับข้องชัดเจน ขาดเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าเรามักไม่พิจารณาใจรักขณะที่เป็นสุขทั้งๆ ท, ที่ทุกข์หรือสุขก็มีค่าไม่ต่างกันพอรู้อย่างนั้นจิตมันก็รู้สึกปิติมากควรทำอย่างไรต่อไปคะก็ให้มันปิติไปเรื่อยๆคำถามจากผู้ฝากถามเราจะแยกแยะหรือมีวิธีตรวจสอบอาการของใจเราได้อย่างไรระหว่างการปล่อยวาง กับการเมินเฉยหรือหมางเมินคะก็ลองเอาเงินไปให้คนอื่นดูเลยว่าปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้าให้เงินเขาไปได้ก็แสดงว่าปล่อยได้ไม่เมินเฉยบ ม, มแล้วเหรอนะคำถามจาก facebook live คําถามจากคุณสารัญญา การนั่งสมาธิกับการสวดมนต์อย่างไหนมีอา น, นิสงส์งมากกว่ากันคะมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละการสวดมนต์ก็เป็นวิธีนั่งสมาธิแบบเริ่มต้นส่วนนั่งสมาธิดูลมนี่เป็นเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับก้าวหน้าแอดวานเริ่มต้นก็หัดสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อนพอสวดมนต์ได้แล้วมีสติพอที่จะนั่งดูลมได้ก็ดูลมต่อไป แล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าดูมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนถ้าฟังเทศไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไปดูหนังก่อนคาถามจากคุณแอลโดยส่วนตัวใส่บาทอย่างสม่าเสมอมาได้เกือบหกปีแล้ว พยายามรักษาศีลฟังธรรมและทำสมาธิภาวนาทำเท่าที่จะทำได้มีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นช่วงลืมตาตื่นนอนตอนเช้าหลายครั้งเช่นรู้สึกเห็นเหมือนร่างกายตัวเองเป็นก้อนเนื้อที่ไม่ใช่ของเราบางครั้งเห็นสามีที่นอนข้างๆเห็นสภาพแวดล้อมรอบๆเหมือนตัวอยู่คนละมิติกับจิตใจสักพักนึงก็กลับมาสู่ปกติ อยากทราบว่าอันนี้ใช่ปัญญามาทำงานของมันเองหรือเปล่าคะมันก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่งถ้าจะเป็นปัญญาก็ต้องอย่ากับผัวได้เลิกกับผัวไ ด, กกได้ถ้ายังไม่เลิกก็แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญายังไม่เห็นว่าผัวเป็นตัวทุกข์ยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่คำถามจากคุณปี พุโทโธในใจใจยังวิ่งไปทั่วโลกเป่งเสียงพุโทโธออกมาได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หล้วเป่งเนือไปรบกวนชาวบ้านเขาให้มันอยู่ข้างในเนะ่ยเหมือนกันออกมาไม่ออกมาถ้าเราเราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธก็หยุดความคิดได้เหมือนกับเป่งเสียงออกมาการเป่งเสียงนี่แสดงว่ากิเลสมันมีกำลังแรงมากมันอยากจะให้เร า, เ อ, าออกเสียง อ, อย่าไปทำ ให้ใ ห, ให้ให้ท่องอยู่ภายในใจอย่าแผงเสียงออกมาคําถามจากคุณนติกาการสวดบทสวดยอดพัก ก, กันไตปิฎกคุณแม่เคยบอกว่าสวดบทนี้บทเดียวก็พอแล้วไม่ต้องสวดบทอื่นๆจริงหรือไม่แท้เป็นเช่นไรเจ้าคะอ๋อสวดบทไหนก็ได้สวดพุทโธคำเดียวก็ได้เอาหมายก็คือให้มีอะไรกํากับใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเท่านั้นเอง เห็นสวดบทไหนคำไหนก็ได้เหมือนกันเป้าหมายก็คือให้มันหยุดคิดให้มันเข้าสู่ความสงบมันจะหยุดคิดเข้าสู่ความสงบได้มันต้องอยู่ที่คําเดียวถ้าสวดยาวๆนี้มันยังปรุงแต่งอยู่ยาวแต่ถ้าอยู่กับคําเดียวนี้มันจะไม่ปรุงแต่งมันก็จะรวมได้เพรนั้นถ้าอยากจะสวดให้รวมจริงๆเป็นสมาธิก็สวดคําเดียวบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณคิงนาภาครูบาอาจารย์มีการจัดทุดงป่าเป็นเวลา9้าวันหากพระใหม่ไม่เข้าร่วมการทุดงครั้งนี้ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งครูบาอาจารย์หรือไม่และเป็นการปลามาด ท, ทำครูบาอาจารย์หรือไม่มีทางออกในการไม่เข้าร่วมทุดงในครั้งนี้หรือไม่ไม่ก็ไปอยู่ที่อื่นนะอย่าไปอยู่กับท่านอยู่กับท่านท่านสอนท่านเป็นอาจารย์ก็ต้องทาตามคาสอน ในเมื่อเราไม่เชื่อคำสอนของท่านเราก็ไปอยู่ที่อื่นไปหาอาจารย์อื่นอยู่ข้อที่สองในกรณีพระเทศใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปไม่ควรก้าวไก่หน้าที่กันผู้ที่มีสินน้อยไม่ควรสอนผู้ที่มีสินมากพระใหม่ควรเชื่อฟังครูบาอาจารย์เท่านั้นผู้มีสินน้อยกว่าไม่สามารถสอนพระใหม่ได้พระไม่ควรให้ผู้อื่นสอนธรรมเนื่องจากศินพระมากกว่า เป็นถึงคูบาอาจารย์ขนาดพิสุนีถือศีล311ข้อยังต้องกราบพระที่บวชใหม่เข้าวัดในวันเดียวเลยขนาดเนนถูกแม่ชีสอนพระอาจารย์บางท่านยังบอกเลยชีห้ามสอนพระชีห้ามสอนเนนเพราะเนนศีลมากกว่าอยากทราบว่าผู้ที่พูดยึดติดยึดมั่นใจศีลมากเกินไปหรือไม่คะออเป็น เป็นธรรมเนียมของการวัดความรู้ความสามารถของคนเราก็าวัดกันที่ศีลคนที่มีศีลมากกว่าก็แสดงว่าเขามีความรู้ความสามารถมากกว่าคนที่มีศีลที่น้อยกว่าเขาก็เลยใช้ตัวมีศีล น, นี้มาเป็นตัววัดความรู้กันคนที่รู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วมากก็จะรักษาศีลได้มากกว่าคนที่รู้ผิดรู้ถูก รู้เชื่อได้น้อยกว่าก็จะรักษาศีลได้น้อยกว่าอันนี้เป็นหลักทั่วไปเป็น่การมีศีลไม่มีศีลไม่ได้อยู่ที่ว่าชั้นห่มขาวชั้นโกนหัวแล้วฉันมีศีลสิบมันอาจจะมีมีบาปอยู่ในใจเพียงแต่มันไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นศีลแท้ศีลแท้ต้องไม่ทําจริงๆไม่ใช่เพราะว่าพอห่มขาวหมผ้าเหลืองแล้วก็เป็นพระมีศีลสองรอยิบเจ็ด แต่ทำผิดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ไปอ้างว่าฉันมีศีลสองรอยิบเจ็ดคนมาสอนเราไม่ได้อันนี้ก็ไม่ถูกมันต้องมีศีลด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทาไม่ใช่มีศีลด้วยการห่มผ้าเหลืองแล้วห่มผ้าขาวดังนั้นบางทีคนที่ห่มผ้าขาวห่มผ้าเหลืองอาจจะมีคนที่เขาไม่ได้ห่มกับมีศีนมากกว่าก็ได้งั้น แต่โดยธรรมเนียมด้วยการปฏิบัติของสังคมเขาให้ความเคารพผู้ที่มีศีลมากกว่าผู้ที่มีศีล น, น้อยกว่าเพราะผู้ที่มีศีลมากกว่าสามารถสอนผู้ที่มีศีล น, น้อยกว่าให้มีศีลเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองเช่นผู้ที่รักษาศีลแดได้ก็จะสามารถสอนผู้ที่รักษาศีลห้าให้มารักษาศีลแดได้ถ้าไม่มีผู้ที่มีศีล แปดมาสอนผู้รักษาศีลห้าก็จะไม่รู้ว่าวิธีรักษาศี 8, ลแปรักษาอย่างไรอันนี้ก็เลยถือธรรมเนียมว่าผู้ที่มีศีลมากกว่าย่อมมีความรู้มากกว่าเป็นอาจารย์ได้อย่างลูกมาบวชเป็นพระมีศีลรินี่ก็สอนพ่อสอนแม่ได้แม่อาจจะมีแค่ศีลสองข้อสามข้ออย่างนี้ก็สอนได้จะมีจริงหรือไม่จริงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้ น, ม, นมันมีหลายอย่างที่ต้องพูดกันแต่ถ้าพูดแบบช่วทั่วไปเราก็เอาศีลเป็นหลักถ้าเราเป็นคารวะเราก็อย่าไปสอนพระพูดง่ายๆถ้าเรามีศีล น, น้อยกว่าพระเราก็อย่าไปสอนคนที่ก็มีศีลมากกว่าเราไม่เห็นจเป็นจะต้องไปสอนเขเลยทำไมต้องไปสอนเขด้วยสอนตัวเองไม่ดีกว่าเลยสอนตัวเองแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์ทำไมจะไปอยากไปสอนคนอื่นทาไม คนที่ก็มีความรู้ความสามารถจริงๆก็ไม่อยากจะสอนใครสอนให้มันมั่วปากเปล่ า, าสอนแล้วมันก็ไม่ทำตามสอนไปให้เสียเวลาเปล่าๆดังนั้นคนที่อยากสอนก็คือคนที่ยังมีกิเลสดีๆนี่เองยังอยากเป็นอาจารย์ทั้งๆตีตัวเองไม่มีฐานะที่เป็นอาจารย์ก็อยากจะเป็นไปเป็นอาจารย์เขาไปสั่งสอนเขาดังนั้นขอให้เราดูตรงนี้ดูดูความจริงดู สมมุติด้วยสมมุติก็คือใครมีศีลเขาห่มผ้าเหลืองเราห่มผ้าขาวแล้วก็อฟังเขาอย่าไปสอนเขากฎกติกาเขาว่าอย่างงั้นเราเป็นค า, า, ารวะก็อย่าไปสอนอคนที่เขาบวชกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นกฎกติกาของสังคมแต่ความจริงนี่มันอาจจะมีข้อยกเว้นเช่นสั ม, มนเนรกลับไปสอนพระเทระบวชมาสามสี่สิบพรรษาก็ได้ พ่สมมอสามเณรเป็นพาาระอรหันต์พระเถระเป็นพระเป็นปุถุชนเนี่ยคนที่มีมีความรู้ระดับพาาระอรหันต์ถึงจะไปสอนคนที่เป็นปุถุชนไม่ได้ใช่ไหมปุถุชนต้องไปเรียนกับพาาระอรหันต์ถึงจะได้เป็นพาาระอรหันต์ถึงแม้ว่าพาาระอรหันต์นั้นจะเป็นสา ม, มเณรก็ตามเขาเป็นสา ม, มเณรเพราะอายุของเข า, <laughs> ข เ, ขาเขาบวชเป็นพระไม่ได้จะบวชเป็นพระได้ต้องอายุยี่สิบ แต่เขาดันใบบรรุเป็นพระหะลนันก่อนอายุยี่สิบนี่ก็เขายังต้องเป็นสามเณรอยู่ฉั้นต้องดูหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่ดูแต่แต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่โดยปกติถ้าสังคมเขากำหนดไว้อย่างไงเราก็เคารพสังคมไปอย่างข้าราชการก็เหมือนกันใช่ไเราก็ต้องเคารพสีที่สูงกว่าเราแต่คนที่มีสีสูงกว่าเราอาจจะมีคุณคุณธรรมต่ำกว่าเราก็ได้ อย่างวันก่อนเราเห็นคนคนหนึ่งมาทําบุญเป็นอาหารแต่เขาทําบุญนี้มากกวานายพลมาทําบุญอีกข้าวของที่เขาซื้อมาถวายพระเราก็ไม่รูว่าเขายศอะไรเลยถามก็คุณยศอะไรผมเป็นแค่เป็นแค่จ่าเอกเท่านั้นเองโอ้เราทําไมคุณทําบุญขนาดนี้ขนาดนายพลมาทําบุญยังไม่เห็นทําบุญขนาดนี้เลย มันมันไม่ได้อยู่ที่ยศใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่สมมติตําแหน่งเรื่องของใจนี้มันไม่ได้วัดกันที่สิ่งเหล่านั้นเพียงอย่างเดียววัดได้บ้างบางส่วนบางเวลาแต่ไม่ใช่ทุกเวลามีข้อยกเว้นเสมออตอบใช่ยาวเลยวันนี้คํ <laughs> าถามจากคุณกนแก้วมีผู้เล่าว่าพระพุทธเจ้ามาสอนมาสนทนาด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่คะ ก็หลวงปู่ม่านท่านก็บอกมีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมมีพระอรหันต์มาแสดงธรรมครูบาอาจารย์ท่านไม่โกหกใครหรอกแต่ถ้าเรายังไม่เห็นก็อย่าไปอย่าไปปามารหรืออย่าไปอะไรทั้งนั้นจะเป็นเหมือนคนตาบอดไปสอนคนตาดีไปว่าคนตาดีพวกเราที่ยังไม่เห็นยังไม่สัมผัสกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่าเพิ่งไปปฏิเสธว่ามันมีหรือไม่มี เหอนคนตาบอดที่ไปปฏิเสธว่าไม่มีนั่นไม่มีนี่มันมันจะไปเห็นอะไรเวลาตาบอดใช่ไอมคนตาดีก็เห็นไปไ ป, ไปกลับไปบอกคนตาดีว่าเป็นไปไม่ได้อเมันเป็นมันถูกไห ม, มไม่ถูกถ้าเรายังภาวานาไม่เป็นเรายังอติดต่อกายทิพย์ไม่เป็นแล้วเราจะไปบอกว่าอย่างนั้นกายทิพย์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีไปพูดได้อย่างไรต้องปฏิบัติไปก่อน ไม่เชื่อก็ได้เขาไม่บังคับให้เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่อย่าไปปฏิเสธเขาต้องทำใจเป็นกลางเฉยๆไว้ก่อนไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธจะเชื่อก็ต่อเมื่อได้พิสูจน์ด้วยตนเองแล้วว่าเออมีจริงหรือไม่มีจริงคำถามจากคุณสุติพงศ์ผมนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าจิตกําลังสงบแล้วหายใจไม่ออกเหมือน การหายใจพยายามไม่สนใจแต่ก so like. ็ทนไม่ไหวเหมือนใจจะขาดเป็นอย่างนี้หลายครั้งผ่านมาได้สักทีผ่านไม่ได้สักทีทำอย่างไรดีครับก็อย่าดูลมนะลองใช้พุทโธแทนไปาปัญหามีปัญหาที่ลมกลัวจะหายใจไม่ออกเวลาลมหายไปก็อย่าไปใช้อย่าไปใช้ลมใช้พุทโธพุทโธไปแทนหรือใช้เพ่งอาการอย่างอื่นแทนเพ่งกระดูกก็ได้ เพ่งโครงกระดูกก็ได้นึกถึงภาพโครงกระดูกแล้วก็พยายามเพ่งกับภาพนั้นไปเรื่อยๆจิตก็เข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณพีโอเน่จิตกับวิ ญ, ญญาณคือตัวเดียวกันไหมคะเป็นตัวผู้รู้เหมือนกันหรือเปล่าคะเป็นตัวเดียวกันและไม่เป็นตัวเดียวกันเป็นทั้งสองอย่างเพราะคําว่าวิ ญ, ญญาณมีสองความหมาย วิญญาณที่ออกจากร่างกายนี้ก็คือตัวจิตที่ออกจากร่างกายนี้เราก็เรียกว่าดวงวิญญาณส่วนวิญญาณที่ยังอยู่ในตัวจิตคือตัวที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็เป็นวิญญาณในขันเรียกว่านามขันวิญญาณที่ไปรับภาพรับเสียงมาส่งมาให้ใจตัวตัวรู้นี่ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างภาพกับเสียงกับใจกับจิตอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกัน มันมีวิญญาณห้าหกชนิดจากขววิญญาณโสตะวิญญาณเป็นต้นจากขววิญญาณก็วิญญาณที่รับภาพโสตะวิญญาณก็รับวิญญาณที่รับเสียงเป็นต้นแล้วส่งไปที่ใจอีกทีหนึ่งใจต้องมีวิญญาณถึงจะรับภาพรับเสียงได้คือตารับมาแล้วต้องมีผู้มารับจากตาไปอีกทอดหนึ่งตอนต้นตาเป็นผู้รับก่อนลืมตาปั๊บก็เห็นภาพ พอเห็นภาพแล้วพอจิตถ้านอนหลับก็ไม่รู้เรื่องพอตื่นขึ้นมาก็จะรับก็จะมีวิญญาณโซมีจักรคูเวิญญาณมารับภาพนั้นส่งไปให้ที่จิตอีกทีหนึ่งแล้วจิตก็จะมีสัญญามามาค้นหาว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเหมือนกับ Google เคยเห็นหรือเปล่าภาพนี้ถ้าเห็นก็อ๋อจำได้คนนี้ในกรในคอ แล้วพอรู้ว่าเป็นใครก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาถ่าเจอคนที่คอยให้เงินให้ทองก็ดีใจถ้าเจอเจ้าหนี้ก็เสียใจสังขารก็จะปรุงขึ้นมาว่าทำยังไงดีเจอเจ้าหนี้ก็ดีถ้าเจอคนให้เงินก็ยินดีต้อนรับเชิญเลยค่ะอันนี้คือการทำงานของขันในในใจของเรามีขันสี่นี่ทำงาน เริ่มต้นที่วิญญาณไปรับรู้เรื่องราวแล้วก็สัญญามาแปลความหมายของเรื่องราวว่าเป็นอะไรแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขก็จะปรุงไปทางสังขารไปทางความอยากให้เขาอยู่นานๆถ้าไปเจอเป็นทุกข์ก็อยากก็ปสังขารก็ปรุงว่าอยากให้เขาหายไปเร็วๆนี่คืการทํางานของนามขันทั้งสี่ อันนี้อยู่ในตัวจิตอีกทีหนึ่งที่เป็นตัววิญญาณเวลาออกจากร่างกายไปเวลาวิญญาณออกไปในวิญญาณก็เอาทั้งสี่นี้ไปด้วยสีนี้เหมือนเป็นลูกของจิตเนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันติดตามไปกับจิตเป็นคนรับใช้จิตเพื่อที่จะไปทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆมาให้กับจิตอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีร่างกายก็ไปรับภาพไปเอารูปทิปเสียงทิปมาส่งมาให้จิตอีกทีหนึ่ง คำถามจากคุณธิพรดาในขณะที่เราหลับอยู่แล้วเกิดหยุดหายใจขึ้นมาเราจะประคองสติได้อย่างไรคะคนหลับแล้วก็ไม่สนใจละหายใจไม่หายใจคนที่ตายหลับก็แสดงว่าเขาไม่หายใจเวลาหลับแล้วทําอะไรไม่ได้ลนะคําถามจากคุณบี ที่เขาว่ากันว่าเบนจเพศคือช่วงอายุ25ปีมักมีเหตุหลายเกิดขึ้นเช่นอุบัติเหตุเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดคะก็ไปดูสถิติซิคนอายุ25นีม้มีมีอุบัติเหตุสกกันสักกี่คนมีแต่เชื่อกันแบ บ, แบบแบบไม่ใช้ปัญญากันเลยเหมือนกระต่ายตื่นตูมพอก็พอลูกตาลหล่นลงมาก็บอกโลกโลกกำลังถล่มแล้วแผ่นดินไหวแล้ววิ่งตะลิดเปิดเปง พอสัตว์อย่างอื่นเห็นกระต่ายวิ่งตะเลิดเปิดเปิงก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวเว้ยโลกถลมนะ่มแล้วก็ตื่นกันวิ่งหนีกันจาระวันไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอคนหนึ่งก็บอกว่าพอมีเบญจะเพศแล้วจะต้องมีอุบัติเหตุก็เชื่อกันไปหมดเลยไม่เคยไปดูสถิติบ้างว่าคนที่เป็นอายุ25นี่มีอุบัติเหตุกันกี่คนแล้วคนที่มีอายุอื่นนี่มีอุบัติเหตุกันกี่คนไปดูศึกษาดูสิไปทําวิจัยดู จะได้รู้ชัดเจนว่ามันเป็นอะไรกันแน่เหมือนกับราชสีเนี่ยพอเจอกระต่ายก็ถามมึงหนีอะไรกันมาก็ต่ายมันถึงราชสีก็กลัวเนี่ยกระต่ายบอกแผ่นดินถลม่มราชสีตรงไหนพาไปดูหน่อยสิกระต่ายมันไม่อยากจะภายแต่มันก็กลัวราชสีกัดมันก็เลยต้องพาไปพอไปพาไปราชสีก็เดินดูรอบบริเวณอ้าวมันไม่มีลูกตาลหล่นลงมาไหนมา ก็เท่านั้นเองอธิัายไหมเพราะนั้นอย่าไปฟังแล้วไปเชื่อแบบง่ายๆฟังแล้วมันไม่มีเหตุมีผลก็ต้องไปหาข้อมูลมาให้มันเห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็เฉยๆไว้ก่อนไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปฏิเสธคำถามจากคุณมนทิลาชาตินี้ได้เกิดเป็นคนแล้วต้องทำ อย่างไรชาติต่อๆไปจึงจะได้เกิดเป็นคนดีได้พบพระพุทธศาสนาก็ทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาไปค ำ, คำถามจากคุณทันพิสิทธ์อยากทราบว่าอุบายในการเร่งความเพียรมีวิธีไหนบ้างครับก็ทำมันสิง่ายจะตายไปกำหนดเวลาไว้จะทำเวลาไหนก็ถึงเวลาก็ทำมัน ถ้าไม่กําหนดเวลามันก็จะไม่ทําอยู่เรื่อยๆอยบางคนเขากําหนดว่าจะทํำตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้มันก็ต้องพอตื่นปับ๊บมันก็ทําความเพียรทันทีมันก็พุโทโธขึ้นไปทันทีจะพุโทโธจนกว่าจะหลับท่านนั้นถึงจะหยุดพุดโทโธวิธีทําความเพียรต้องกําหนดต้องตั้งเป้าอย่างพระพุทธเจ้าจะตัดสั้นรู้ก็ต้องตั้งจัตจ้าอธิษฐานตั้งเป้าว่า จะนั่งตรงนี้ภาวนาไปจนกว่าจะดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจถ้ายังมีความทุกข์หลงเหนืออยู่ในใจจะไม่ลุกจากที่นี่ไปเป็นอันขาดนะต้องมีสัจจะอธิษฐานต้องมีตั้งเป้าแล้วต้องมีความจริงใจต่อการตั้งเป้าไม่ใช่ตั้งเป้าว่าจะพุทโธไปทั้งวันพอตื่นขึ้นมาพุทโธได้สองคำลืมไปซะแล้วเลิกแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีสัจจะแล้ว คำถามจากคุณภาวนาจริงไหมคะที่ดวงวิญญาณที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆเช่นของโบราณบ้านล้างอะไรแบบนี้มีจริงหรือเปล่าคะก็ไม่เห็นใครพิสูจน์กันได้ถ้กคนว่ามีจริงหรือเปล่ามีใครจับดวงวิญญาณมาเข้าคุกเข้าตารางได้มั้ยมาออกรายการถ้าพิสูจน์ได้หรือเปล่านี่คือดวงวิญญาณที่เกาะติดอยู่กับบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาไปตามเหตุตามผลเท mm hmm. ่าที่ได้ยินได้ฟังมายังไม่มีใครจับดวงวิญญาณมาทาพิสูจน์ได้มาปรากฏบนรายการว่า น, นี่คือดวงวิญญาณที่อยู่ตรงอาคารนี้หลังนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ mm hmm. ก็เป็นความเชื่อเหมือนกับเบญจเพศนี่แหละ mm hmm. คนไทยนี่มีเรื่องเชื่อเยอะ เชื่อกันจริงเชื่อกันจังเอาทำเป็นหนังทำเป็นละครแล้วยังเชื่อกันใหญ่เลยกลายเป็นของจิงของจังกันไปหมดแต่ไม่มีใครจับต้องได้สักคนหมดแล้วค่ะหมดแล้ ว, หลวเหรออมีใครอยากจะถามอีกไหมาถามได้นะยังมีเวลาเหลืออยู่บ้างาแต่ไม่ถามก็ดีก็คิดว่า ถามกันมามากแล้วถามกันมาตั้งนาแ ต, ต่เริ่มถ่ายทอดสดนี่มีคําถามเข้ามาวันละยี่สิบสามสิบข้อมันจกนกระทั้งไม่มีอะไรอยากจะถามกันแะถามแล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็เท่านั้นแหละถามแล้วต้องเอาไปปฏิบตัติเอาไปพิสูจน์เนี่ยแล้วมันก็จะหายสงสัยแล้วมันก็จะไม่ถามอ้าววันนี้คนใจกล้ามาแล้วอยู่มันต้องนานไม่ยอมถามเลยพูดใกล้ใกล้ใหม่ มรส ก, การหลวงพ่อค่ะอะ่ช่วงนี้หนูไม่ได้นั่งสมาธิแต่ไปหยิบหนังสือธรรมะมาอ่านแล้วแล้วเกิดว่าพอพออ่านแล้วคิดว่าจะต้องไปนั่งสมาธิที่นี่มันอ่านแล้วคือคืออยากจะอ่านไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเืย่านไปเสร็จแล้วเกิดอาการง่วงเลยไม่ได้นั่งสมาธิเป็นประจําเลยค่ะช่วงนี้ชอบอ่านหนังสือธรรมะมันผิดไหมคะ ก็ผิดตรงที่ว่าไม่ได้นั่งสมาธิแต่มันง่วงอะเจ้าค่ะก็อย่าไปกินข้าวมากเลยอ่มันไม่ได้ง่วงเพราอ่านหนังสือทำมากนะมันง่วงเพราะว่ามันกินมากซื้อวะก็ต้องแบ่งเวลาสิตั้งเวลาไว้ว่าอ่านหนังสือครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงออต้องมีเวลามันถึงจะได้นั่งเม่งัมันมันไม่ชอบนั่งอ่ะมันจะหาเรื่องไม่นั่งมันนค่ะอ่านจันท์และ การจะนั่งสมาธิเหมือนกับจับหมาไปอาบน้ำเนหมาที่มันไม่ชอบอาบน้ําลากมันไปเอยเหนื่อยแสนเหนื่อยมันไม่ยอมไปหรอก อ, อ๋อหลวงพ่อคือว่าหนูต้องอ่านานั่งหนูต้องกะเวลาว่าอ่านหนังสือสักยี่สิบนาทีออแล้วก็เบะไปเพื่อนั่งออใช่ไหมเจ้าคะออใช่มันจะได้ไม่ง่วงไงค่ะ<า>ทีนี้มันติดตามก็เลยพับไว้ก่อนใช่ไหมเจ้าคะเ อ, อเอาไว้วันอื่นอ่าใช่สาธุออแบ่งเวลาให้ถูกมีเข้ามาอีกไหม อ่ะเข้ามาตอบไปตอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดคำถามจากคุณสอละอาจเลี้ยงลูกค้าผมไม่ดื่มเหล้าแต่ลูกค้าดื่มโดยผมเป็นผู้จ่ายเงินผมจะมีส่วนผิดศีลหรือทำบาปไหมครับเราไม่ได้ดื่มมันไม่มีเราไม่มีส่วนเราเลี้ยงเขาถ้าเขาอยากจะดื่มก็เป็นความผิดของเขาเองคำถามจากคุณยุ อยากเริ่มนั่งสมาธิจะเริ่มนั่งอย่างไรดีครับก็หลับตาพุโทโธเลยทำเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยลองนั่งขัดสมาดหลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปเลยง่ายจะตายไปขอให้มันนั่งเท่านั้นนะกลัวไม่นั่งกันมีแต่อยากนั่งกันแล้วก็ไม่เคยนั่งกันสักทีเราก็เหมือนกันสมัยแรกๆนี่ล้วอ่านหนังสือธรรมะเกี่ยวกับวิธีนั่งสมาธิอ่านมาตั้งสองเดือนนั่งไม่ไม่เคยนั่งสักทีเลยว่า วันนึงมันเกิดคิดขึ้นมาแล้วมึงเมื่อไหร่จะนั่งก็นั่งวันเดียวนั่นเลยวางหนังสือไว้แล้วก็นั่งมันเลยอ่าตอนนี้นั่งไปเลยน่ะนั่งหลับตาห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้นั่งมันต้องเริ่มจากน้อยไปหามากก่อนนพอเริ่มนั่งแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะได้นั่งไปได้เรื่อยๆถ้ามันไม่นั่งมันก็ไม่นั่งอยู่นั่นแหละไอตัวนี้มันร้ายมันไม่ยากมันไม่ยอมนั่งกันกิเลสมันไม่ยอมให้เรานั่งกันไอ้นั่งดูละครนี้ไม่ต้องเรียกเลย พอถึงเวลารู้เวลาเปิดทีวีปุ๊บเลยนี่นั่งได้เป็นชั่วโมงเลยดูได้เป็นชั่วโมงพอนั่งสมาธิข้านาทีสิบนาทีจะตายให้ได้เพราะมันไม่อยากนั่งกิเลสมันไม่ยอมให้เรานั่งแล้เราต้องบังคับมันต้องกำหนดเวลาอย่างตอนนี้คุณถามจะนั่งสมาธิไงนั่งเลยตอนนี้นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปคิดอะไรหมแล้วใช่ไห ม, ไมไอา้าวถามอ <ค>มาเท<า><า>ี่ยงนั่งนั่งรอเดียวนะอย่าเพิ่งขึ้นมาคำถามจากคุณสุพันณ์นีช่วงนี้ลูกชอบนั่งสมาธิมากพอรู้สึกสงบลูกติดสมาธิใช่ไหมคะยังหรอกการจะติดสมาธิก็คือการทำสมาธิเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ไปทางปัญญาแต่ตอนนี้เรายังไม่ชำนาญทางสมาธิทำไปให้ชำนาญก่อนยังไม่ถือว่าติดสมาธิถ้าชนานาญแล้วไม่ไปทางปัญญาถึงจะเรียกว่าติดสมาธิ คำถามจากคุณนิทานขอแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันครับออไปฟังเทศเก่าๆแล้วพูดมาซา้ำๆหลายคนแล้วจนกระทั่งเหนื่อยแล้วอยากจะเป็นงั้นทั้งนั้นพูดไปกี่ครั้งก็ยังไม่มีใครมาบอกผมได้เป็นแล้วกันสักคนหนึ่งหมดหรือยังเ อ, อเอาแค่นี้ก่อนนะอยากจะฟังโสดาบันก็ไปฟังเทศเก่าๆดูไม่เยอะแยะหรือไปค้นหาใน g ู o g l e ก็ได้